เอกชาติหนึ่งเนี่ยนะเนมิราชชาดกเนมิราชจรยาที่จริงเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ในกลับนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่อดีตอดีตกรับอื่นไม่ใช่เาเรียกว่าสี่อสงไขยัย9 99, 9 9 9 9กรับยกไว้เอาเฉพาะกรับนี้อย่างเดียวว่าท่านทำอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าให้ภาษาบุตรและบริษัทเป็นต้นฟังอีกต่อไปว่า อีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระมหาราชาพระนามว่าเนมิเป็นพระราชาที่เป็นบัณฑิตเป็นพระราชาที่ต้องการด้วยกุศลอยู่พระองค์นี้ประทับอยู่ในพระนครมิธิลาที่สูงสุดอันอุดมเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในการนั้นเราได้สร้างศาลาสี่แห่งอันมีหน้ามุกหลังละสี่หลังละสี่หมายเาว่าร้างสร้างอะไร ศาลาจตุรมุกเนี่ยนะเราให้ทานอันเป็นไปในศาลานั้นแก่เนื้อนกและนรชนเป็นต้นยังมหาทานคือเครื่องนุ่งห่มที่นอนและโภชนาคือข้าวน้ำให้เป็นไปแล้วไม่ขาดสายการให้ทานของท่า น, นให้เหมือนอะไรเปรียบเหมือนสเสวิกเสวกสวก็คือคนที่รับใช้รับใช้เนี่ยนะเข้าไปหานายเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ย่อมสแสวงหานายที่พึงให้นายยินดีได้ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมฉันใดคนที่รับใช้ปรารถนาะความเจริญรุ่งเรืองต้องการทรัพย์ก็เข้าไปบำรุงอย่างดีฉันใดเราก็ฉันนั้นเราจะแสวงหาพระสัพพัญญุตยานในภพทั้งปวงจึงยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มนำด้วยทานแล้วปรารถนะโาโพธิญาณอันอุดมชนิแลหั้นการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยนะ บำรุงทานบำรุงศีลบำรุงเนคคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัาจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขาบำรงบารมีเหมือนกับคนใช้ที่ซื่อสัตย์บำรุงเจ้านายเนี่ยนะท่านบำรงทานกุศลของท่านจึงได้อ่าบำรงทานกุศลของท่านตลอดการยืดยาวนานจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบำรงอ่า เรยกว่าอะไรบำรงอะนะนุบำรงศีลของท่านทานุบำรุงเนคข ม, มะธันุบำรุงคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนุบำรงบารมีที่เรียกว่าพุทธกัรกะ ร, รมใช้เวลาไม่ใช่น้อยในอัตถกถาอธิบายถึงพระเจ้าเนมิราชคำว่าเนมิกุมาเนี่ยนะเนมิเนี่ยแปลว่าผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงกษัตรุ ด, ด วงรถจึงได้ชื่อว่าเนมิเขาเรียกว่าต่อกันมาเป็นวงกลมพอดีเขาเรียกว่าจุดวงกลมเริ่มต้นจากที่ใดก็มาต่อต่อต่อต่อต่ อ, ตอแล้วมาเข้ากลมที่เดิมนะไอความที่มาสู่จุดเดิมได้อยังงี้แหละเรียกว่าเนมิพระเจ้าเนมินั้นเป็นเป็นพระราชาที่เรียกว่าระดับมหาราชาเพราะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปด้วยอะไรบ้างยิ่งใหญ่ไปด้วยคุณวิเศษมีทานศีลเป็นต้น ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยราชาโุภาพเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มากขณะเดียวกันก็เป็นพระราชาที่เป็นบัณฑิตปรารถนากุศลคือต้องการบุญเพื่อตนและต้องการบุญเพื่อแกะประโยชน์แก่ผู้อื่นเราว่าบุญเนี่ยจะเป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์ตนและผู้อื่นคือเรื่องในอดีตเนี่ยนะในอดีตใน นครมิถิลาแควนวิเทหะพระโพธิสัตว์นี้ได้เป็นพระราชานามว่ามะขะมานกอันนี้พูดถึงอดีตก่อนเลยนะฮะอดีตในสมัยที่คนมีอายุเป็นแสนปีเนี่ยน ะ, ะมขพระเจ้ามะขะคนนี้หรือมะขะคนนี้เนี่ยสนุกสนานตอนเป็นกุมารสนุกสนานแบบเด็กๆอยู่แ4ด0มสี่พันปีเป็นเด็กอยู่แ4ด0มี่พันปีนะ ของเรานี่นอกจากมีอะไรจะเป็นทารกมั้งเนาะแสดงว่าถ้าคนอายุเป็นแสนแสนปีอายุเท่าพวกเรานี่ก็บอกนูอ้ยเราอดเด็กๆจริงๆแล้วก็สำเร็จการศึกษาได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราช 84,000 พันปีครองราชสมบัติอยู่อีก 84,000 พปีพระเจ้ามคะมานบพระเจ้ามคะพระองค์นี้ก็วันหนึ่งก็ บอกแก่ช่างการะบอกว่าเมื่อใดเจ้าเห็นผมงอกบนศีรษะของเราเมื่อนั้นเจ้าพึงบอกแก่เราสั่งไว้เลยนะวันไหนเห็นผมงอกบอกด้วยนะเนี่ยฐานะคนที่ท่องอาการ32มาดีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนะเกษาโลมานะขาทันตาตะโจโดยสีโดยกลิ่นเป็นต้นเพาว่าพอบอกว่าสีเปลี่ยนแค่นั้นแหละสังวเวรวัตถุกเกิดขึ้นต่อเมื่อใดช่างการะบอกก็เห็นเกษางอกจึงกราบทูล แล้วก็ไหนดูซิก็เลยเอาแหนบทองคำเนี่ยถอนมาวางไว้บนพระหัตถ์ปรงแลดูเกสาเห็นเกสาหงอกเข้าเนี่ยนะบางคนนี่หงอกไปครึ่งหัวเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยนี่หงอกเส้นเดียวนะคิดเลยเกิดความสังเวชขึ้นมาว่าเทวทูตปรากฏแล้วแกเราเนตายแน่งานนี้เราตายแน่ไม่นานเราจะตายแล้วกันเห็นงอกเส้นเดียวเนี่ยคิดว่าจะตายแล้วเนี่ย บอกว่าเทวทูตปรากฏแล้วแก เ, เราเนี่ยนะเทวทูตปรากฏแล้วทูตแห่งพญายมมาบอกมาเตือนแล้วว่าอีกไม่นานเราจะตายไม่นานเราจะตายมันก่อนเห็นเด็กคนหนึ่ ง, งอายุสิบสามปีนี่แหละผมงอกไปครึ่งหัวแล้วเนี่ยนะเด็กยังเรียนไม่จบประถมเลยเนี่ยนะผมมันงอกไปแล้วเนี่ยนะเนี่ ย, ย, ยไม่รู้แพ้หรือไม่แพ้ก็ไม่รู้แต่ว่าสังเวชเหมือนกันเนะนะ พระราชาพอเห็นผมงอกสังเกิดความสังเวชวเทวทูตคือบุรุษแห่งความตายปรากฏแล้วแกตัวอย่างนี้ก็คิดว่าบัดนี้เราควรจะออกบวชก็เลยพระราชทานบ้านสวย100หนึ่งร้อแก่ช่างกระบกอันนี้ทรงเรียกว่าคุณงามความดีที่บอกให้รู้ว่าผมงอกแล้วเนี่ยให้รางวัลเลยพันหนึ่งให้รางวัลเลยแสนหนึ่งแล้วก็ ต, ตรัสเรียกเชษฐกุมาร ล, ลูกชายคนโตมาตรัสว่า บัดนี้ผมเนี่ยบนศีรษะของพ่อนี่งอกแล้วความชราปรากฏแล้วเทวทูตปรากฏแล้วถึงเวลาแล้วที่พ่อจะออกบวชแล้วเนี่ยนะก็มอบราชสมบัติให้พี่ว่าตนมีอายุ8 4ด0 0สี่พันปีต่อเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยังสำคัญตนมายืนอยู่ใกล้ความตายจึงสลดใจมีใจชอบที่จะบวชจริงๆเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าผมงอกเนี่ยนะ ชีวิตของท่านดำเนินต่อไปอีกแปดหมื่นสี่พันปีนะอีกแปดหมืนสี่พันปีนี่ท่านยังคิดว่ายืนอยู่ใกล้ความตายทีเดียวเนี่ยนะของเราองแปดหมืนสี่พันวันถึงไหมไม่ถึงถ้าได้แปดหมืนสี่พันชั่วโมงนี่ก็เก่งแล้วนะก็เหลือชีวิตอยู่ไม่คนและไม่กี่ชั่วโมงเองอะนะขนาดนั้นก็ยังอีกนออีกนานอีกนานทำตัวยังไม่แก่ไม่ตายั้นก็อย่างที่เรื่องอะไรนะเรื่อง ในคาถาธรรมบทก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะที่เรียกว่าปฏิปูชิกาเนี่ยนะหญิงผู้บูชาผัวของอั้นก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพอไปเที่ยวสวนกันเทวดาเนี่ยนะเทวดามีบริวารอยู่เป็นพันอะ่ะไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสวนก็มีนางฟ้าคนนึ่งอะ่ะเก็บดอกไม้อยู่เลยจุติเลยพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์ก็ระ ล, ลึกชาติได้ นะว่าตัวเองเนี่ยตกสวรรค์มาเหมือนันนะพูดแบบนี้ก็ตกสวรรค์เหมือนนจุติจากสวรรค์มาก็คิดถึงอยากจะกลับไปอยู่กับสามีตามเดิมเรียกว่ามาลาภารีเทพบุตรเหมือนนอยากไปอยู่กับเทวดาอาสามีที่เป็นเทวดาตามเดิมเวลาทําบุญก็บอกว่าขอให้ได้ไปเกิดอยู่ในไปอยู่ในที่เดียวกับสามีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่านางปฏิปูชิกาว่าหญิงผู้บูชาสามีก็อยากกลับไปอยู่ที่เดิมอีก ก็ทําบุญอยู่อย่างเนี้ยอายุห้าสิบปีตายานะห้าสิบนะ ก, ก็ก็อยู่จนอายุห้าสิบนะแต่ว่าชาติที่เป็นมนุษย์ก็มีครอบครัวนะก็มีสามีมีลูกมีอะไรแต่อายุห้าสิบปีก็ตายทีนี้ตายในภิกษุก็เศร้ากันว่อ า, อ, า อ, อุปถาก ต, ตายแล้วเนี่ยทำไงดีกระเสียใจไปถามพระพุทธเจ้าว่านางไปเกิดที่ไหนพอเวลานางทําบุญก็ทําบุญขอไปเกิดอยู่กับสามีใช่ไหมแ้ก็ไม่เห็นว่าเด็กมาเกิดอะไรที่บ้านนี้เลย โงงก็บอกว่าตอนนี้นางไปเกิดอยู่ในสํานักสามีของนางแล้วนะในในสวรรค์ดาวบดึงเขาบอกงั้นทีนี้สามีนี่ยังไปเก็บดอกไม้ยังไม่เสร็จเลยนะเขาเรียกว่าใช้เวลาเก็บดอกไม้ห้าสิบปีมนุษย์แลว้วอ่ะก็ยังเที่ยวเล่นในสวนที่นี้พอเห็นนางเทพพ ธ, ธิดานี้กลับคืนมาก็ถามว่าเธอไปไหนมาบอกหม่อมชั้นตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ฮะจริงเหรอว่างั้นจริงสิว่างั้นบอกว่าตอนนี้มนุษย์อายุเท่าไหร่บอกว่าร้อยปี มันสั้นขนาดนั้นเลยหรือร้อยปีเขาบอกนะใช่เขาตรวจดูเออจริงบอกแล้วมนุษย์เขาคิดยังไงกันเขาคิดว่าเขามีอายุเป็นอาสงไขยปีเนี่ยนะเขาคิดว่าเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามร้อยสี่สิบตัวเขามีชีวิตเขานึกว่าเขาเนี่ยเหมือนตัวเขาเองมีชีวิตอยู่อย่างนั้นใช้ชีวิตเหมือนตายไม่เป็นเราบงั้นเทวพบุตรก็เลยสังเวชใจมากก็น่าคิดนะว่าคนที่เกิดมาในยุค ชีวิตที่อายุในน้อยนึกว่าจ ะ, สะแสวงหาทางแห่งคุณงามความดีเปล่าเลยกลับประมาทมากกว่าเดิมนันนก็เลยพระเจ้ามคะเทพพระองค์นี้เนี่ยนะเรียกว่าพระที่สัมบดีพระนามว่ามคะเทพทอดพระเนตรเห็นเกษางอกบนศีรษะก็ได้สังเวชพอพระไทยที่น้อมไปเพื่อการบวช ราชาก็ประทานโอวาทแก่โอรสลูกชายคนโตว่าลูกควรประพฤติโดยทํานองนี้เหมือนอย่างที่พ่อปฏิบัตินะให้ลูกปฏิบัติตามที่ตำเนียมอันนี้คือตัวเองเนี่ยตั้งทำเนียมไว้เลยว่าเห็นผมงอกบนศรีรษะต้องออกบวชคือเรียกว่าวงของวงเนี่ยตั้งตั้งตั้งเป็นตระกูลนี้ว่าตระกูลนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลูกอย่าทําตัวให้เป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่ได้มีโอกาสบวชอีกต่อไปเนี่ยนะพะะนั้นลูกอย่าทําลายวงอันนี้นะ แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครบวชเป็นภิกษุยังการให้น้อมล่วงไปด้วยฌานสมาบัติตลอด 84,000 พันปีสิ้นพระชนแล้วไปเกิดในพรหมโลกโอรสของพระราชานี่ครองราชสมบัติโดยทาตอนผมงอกบนศีรษะก็บวชอีกบวชแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลูกสืบทอดกันมาอย่างเนี้ยแป0 0ันหย่อนไปสององค์ก็คือ 80,000 ื่นเท่าไหร่สาพัน 9ก้อ 90, องค์เหมือ น, นโอรสของกษัตริย์องค์นั้นก็เหมือนกันทุกพระองค์เห็นเกสาผมหงอกก็ออกบวชหมดเลยครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ประดิษฐานอยู่ในพรหมโลกอยู่ในพรหมโลกนา น, นกษัตริย์ผ่านไป8เกือบ8สี่พันแล้วนะประดิษฐานอยู่ในพรหมโลกก็รำพึงว่ากัลยาณธรรมที่เราทําไวในมนุษยโลกยังมีอยู่หรือนอหรือว่ายังไม่เ็นไป ก็เห็นว่าตระกูลนี้ประเพณีที่ตัวเองตั้งไว้ในมนุษยโลกเนี่ยนะยังเป็นไปอยู่หรือเปล่าก็เห็นว่าแต่บัดนี้จะไม่เป็นไปอีกต่อไปไหมคราะว่าถ้าเราไม่ไปเกิดนะั้นลูกชายคนนี้จะเป็นหลานรุ่นลูกคนนี้ยังอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นจะหมดแล้วพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะไม่ให้การสื บ, ส, บสายของเราขาดคิดว่าอยากให้มันเป็นล้อวงกลมมาบรรจบอยู่ที่เดิมไม่อยากให้มันขาดไปในท่อนนะนะ จุติจากพรหมโลกถือปฏิสนธิในพระคันของอัครมเหสีของพระราชาผู้มีกําเนิดวงของพระองค์ตอนแรกก็เป็นบรรพบุรุษใช่ไหมตอนนี้มาเป็นรุ่นนะนีนมันวนๆกันอยู่เนี่ยเนาะไม่รู้ใครเป็นใครใครเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่รู้นะสังสารวัตนี่มันก็สลับสลับกันตาอยู่อย่างนี้แหละใครตายก่อนคนนั้นก็เกิดเร็วเรียกว่าตอนหลก็เรียกว่าเป็นพี่ใช่ไหมพระองค์เนี่ยความที่ ปฏิสนที่สืบต่อวงของพระองค์ดุดกงรถกงรถก็คือวงล้อวงล้อรอบนอกอนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเนมิแปลว่าพระราชาผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงตระกูลของตัวเองดุดกงรถในวันขนานพระนามของพระโอรสนั้นพระชนกคือพ่อตรัสเรียกพราหมณ์ผู้ชํานาญในการพยากรลักษณะขันพราหมณ์ตรวจดูพลักษณะก็แล้วก็พยากรถวายพระพรว่า ขอเดชะข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระกุมารนี้จะประคับประคองวงของพระองค์พระกุมารนี้มีอนุภาพยิ่งใหญ่มีบุญมากกว่าพระชนกมีบุญมากกว่าพระเจ้าปู่มีบุญมากกว่าพระเจ้าตาเลีาวว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดมีบุญยิ่งกว่ารุ่นก่อนๆทั้งหมดพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ขนานพระโอรสว่าเนมิพระโอรสนั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ขวนขวายในศีลและ อุโบสถกรรมเนี่ยนะเป็นพระราชาที่เป็นเป็นราชกุมารที่รักษาศีลรักษาประพฤติอุโบสถมาตลอดครั้งนั้นพัชนก ข, ของพระกุมารทอดพระเนตรเห็นเกสาผมหงอกโดยในก่อนก็พระราชาทานบ้านสวยแก่ช่างตะละบกมอบราชาสมบัติแก่เนมิราชแล้วก็ออกบวชจากพระนครยังชาให้เกิดแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกฝ่ายพระเจ้าเนมิราช ก็ได้สร้างโรงทานหแห่งคือที่ประตูพระนครอีกสแห่งท่ามกลางพระนักท่ามกลางพระนครอีกหนึ่งแห่งทรงบริจาคมหาทานทรงบริจาควันละห้ 0,000 คือโรงทานละแสนแล้วก็รักษาศีลหเป็นปกติสมทานอุโบสถกรรมในวันตักคือทุกๆสิบห้าวันก็จะรักษาอุโบสถหนึ่งครั้งทรงให้มหาชนยึดมั่นในบุญมีทานเป็นต้น พระองค์ก็ทรงบอกทางสวรรค์ให้เป็นความพิเศษนะพระเจ้าปู่เป็นต้นเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าพ่อพระเจ้าปูก่ก่อนก่อนี่ไม่มีองค์ไหนที่จะตั้งโรงทานสมาทานเคร่งครัดแบบตัวเองเลยนั่นก็ขณะเดียวกันก็ยังสั่งสอนบริษัทด้วยนะสอนถึงบอกทางสวรรค์ให้คุกคามถึงภัยในนรกห้ามห้ามบริวารของตนให้ออกจากบาปมหาชนตั้งอยู่ในโอวาทของพระเนมิราชนั้นทําบุญกุศลมีทานเป็นต้น ตายจากชาติมนุสโลกก็ไปบังเกิดในเทวโลกเทวโลกก็เต็มไปด้วยเทวดากระมา้นนรกเป็นเหมือนกับว่างเปล่าเหมือนนะแต่ไม่ใช่ว่างนะเล่าให้ฟังว่าเหมือนเหมัน้นเถอะเพราะฉะนั้นพระศาสดาเมื่อประกาศความที่อัธยาศัยในการให้ของพระองค์ในอดีตชาติเนี่ยกว้างขวางและความที่ฐานบารมีมีบริบูรณ์ไม่ขาดเหลือพระองค์จึงตรัสว่าในครั้งนั้นเราสร้างศาลาสีแห่ง มีสี่มุกบริจาคทานแก่เนื้อนกและคนเป็นต้นในที่นั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าจตุจะตุมมุขขังคือประกอบด้วยประตูสี่ประตูในสีทิศเพราะไม่สามารถจะทำทานให้สิ้นสุดไปโดยเพียงประตูเดียวเท่านั้นและให้ทายธรรมถึงที่สุดเพราะโรงทานใหญ่มากและเพราะทายธรรมผู้ขอก็มากจึงให้ทางให้สร้างประตูใหญ่ สประตูในสี่ทิศแห่งโรงทานก็คือเนื่องจากว่าคนมารับทานมันมากเกินกว่าที่จะให้ช่องเดียวพอเนี่ยนะก็เลยให้สีทิศเลยณนะโรงทานนั้นตั้งแต่ประตูถึงปลายประตูไทยธรรมก็ตั้งอยู่เป็นกองใหญ่ทานย่อมเป็นปลายเริ่มแต่อรุณขึ้นถึงเวลาเข้าไปตามปกติในการนอกนี้ก็จุดประทีปไว้หลายร้อยดวงสรุปว่าผู้ต้องการจะมาเมื่อใดก็ให้ได้เมื่อนั้นรับได้ทุกแห่งนะ ทานนั้นไม่ได้ให้แก่เฉพาะคนยาจกคนจนคนเดินทางบริพกเท่านั้นที่จริงแล้วชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นทั้งหมดก็รับและบริภกนั้นะ่ะเช่นเดียว ก, กันกับทางของพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาสุทัศนะนีก็ตั้งโรงทานใหญ่นะตั้งโรงทานใหญ่มากแล้วก็เป็นทานที่สำเร็จแกคนมั่ ง, งคั่งแค่ว่าขนาดคนรวยยังไปรับทานเลย และแม้มีสมบัติมากเพราะมี เ, เพราะสละทายธรรมมากและก็ของที่ทําบุญก็มีแต่ของประนีตจริงอยู่พระมหาบุรุษกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญงอกงามแล้วบริจาคมหาทานในครั้งนั้นก็จริงนะว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมากมายขนาดนี้ให้เขาบริโภคมหาพูดอย่างนี้แล้วพระองค์จะให้เขาสําเร็จมรรคผลได้อย่างไรบางคนนะั้นมีใจตรณีบอกโอ้ยเราจะต้องให้ขนาดนั้นเลยหรือ ถ้าหากว่าพระองค์มีใจมัชชริยะตรณีทีทเหนียวแบบนั้นพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้อย่างไรถ้าหากว่าพระองค์มีใจอยู่ด้วยริษยามีใจอยู่ด้วยความตรนีแต่เนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีความริษยาอยู่ภายในไม่มีความตรนีอยู่ภายในปราถนาจะให้สัตว์เจริญรุ่งเรืองนะปราถนาต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์จึงให้ปัจจัยสี่เขาได้บริโภคไป ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังให้ <c oughs> สัตว์เหล่าอื่นเนี่ยนะดำรงอยู่ในกุศลธรรมพระองค์นี้ทรงบริจาคทานให้แม้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกเป็นเนื้อเหมือนกับให้มนุษย์เพราะฉะนั้นโรงทานของพระองค์ให้นกให้เนื้อได้ดื่มได้กินเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่ใช่เฉพาะแกะเดระชานเท่านั้นนะแม้แต่เปรตทั้งหลายพระองค์ก็ให้ส่วนบุญอยู่ทุกวันคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระองค์ทำบุญแล้วก็อุทิศด้วยบุญที่ได้ให้ทานนี้ไปก็จงสําเร็จแกเปตะชนคือชนผู้ล่วงลับไปแล้วพระองค์ก็บริจาคทานในโรงทานห้าแห่งเหมือนในโรงทานแห่งเดียวจริงก็โรงทานพระองค์ไม่มีอยู่ห้าแห่ง บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงถึงทายาธรรมณโรงทานนั้นโดยเอกเทศเอกเทศก็แปลว่าเป็นเพียงตัวอย่างให้ฟังว่าให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่นอนให้ข้าวให้น้ําอัจฉาทย์นังก็คือเครื่องนุ่งหม่มหลาอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ทําด้วยผ้าผ้าลายผ้าเปลือกไม้ผ้าเนื้อละเอียดผ้าไหมเป็นต้นนนะั่นเ สยนางก็คือให้ที่นอนหลายอย่างที่นอนเนี่ยหมายถึงตัวเตียงตัวตัง่งตัวบลังพรมที่ทำด้วยขนแกะหรือเครื่องลาดที่ปักด้วยรูปสวย ง, งามเป็นต้นก็ให้ที่นอนที่นอนรวมทั้งแต่อะไรเสือพรมเตียงตั่งเป็นต้นอันนางปานันจะโผชนังให้ข้าวให้น้ำที่มีรสเลิศต่างๆตามความชอบใจของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นแล้วก็ให้อาหารชนิด อาหารต่างๆนะเท่าที่หาได้ในยุคนั้นนะนะอภชินนางกฤตาวานนะกระทำไม่ให้ขาดสายคือกระทำไม่ให้ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนเรอตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นอายุเนี่ยนะปว่าเป็นการให้ทานแบบให้ทานจนตายองนั้นนะนะนที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งตายแล้วโรงทานก็ยังเป็นปอยู่บางคนเนี่ยแต่ไงนะ ตอนมีชีวิตก็ให้ทานแล้วก็ตั้งอะไรนะตั้งมูลนี้ที่ตั้งอะไรเพื่อจะได้ให้ต่อไปตัวตายแล้วก็ยังยังให้ต่อไปได้นะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความที่ทานนั้นเป็นไปแล้วโดยความเป็นทานะบารมีเพราะพระองค์เนี่ยปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาสัพพัญยุตยานเพื่อจะทรงแสดงถึงอัธยาศัยของพระองค์ที่เป็นไปแล้วในการนั้นด้วยข้ออุปมา เหมือนอย่างว่านะเขาบอกว่าบินยูชนในโลกนี้จะเพิ่งรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาพราะองค์เขาอุปมาให้ฟังว่ายะถาติสเสวโกเป็นต้นเปรียบเหมือนสเสวกพระพุทธลธรัมรนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นสเสวิกเสวกสวก็คือคนรับใช้คนรับใช้ใกล้ชิดเนี่ยนะเข้าไปหานายของตนด้วยการคบหากันตามเวลาอันสมควรเพราะเหตุแห่งทรัพย์ที่ควรจะได้ ย่อมแสวงหาความยินดีที่นายพึงให้ยินดีได้โดยอาการที่ให้ยินดีด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมหมายค่ะว่าคนรับใช้ใกล้ชิดควรจะมีความซื่อสัตย์พักดีควรมีพฤติกรรมอย่างไรควรมีถ้อยคําอย่างไรจิตใจเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ต่อผู้เป็นนายเช่นใดจึงจะได้รับทรัพย์สมบัติเนี่ยนะจึงจะได้รับค่าจ้างรับรางวัลฉันใดแม้เราผู้เป็นพระโพธิสัตว์ คือผู้สแสวงหาโพธิยานก็ฉันนั้นประสงค์จะเสพความเป็นพระพุทธเจ้าอันยอดยิ่งคือยิ่งใหญ่คือเราเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าผู้ผู้ยิ่งยอดหรือว่าสุดยอดเนี่ยนะเป็นเจ้าแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพื่อให้เป็นที่ยินดีแก่สัตว์โลกนั้นเราก็จะแสวงหาค้นหาพระสัพพัญยุตยาน อันได้ชื่อว่าโพธิชะแปล ว, ว่าเกิดแต่อริยมรรคยานกล่าวคือโพธิด้วยอุบายต่างๆในที่ทั้งปวงข้างหน้าในภพทั้งปวงคือในภพที่เกิดเกิดแล้วแล้วเล่าๆทั้งปวงเพื่อจะยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยทานด้วยการบำเพ็ญทานบารมีเราปรารถนาโพธิญาณคือสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมนั้นจึงทําอย่างใดอย่างหนึ่งมีการบริจาคชีวิตเป็นต้น